ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรวันนี้จะพูดเรื่องจุนทนีสูตรเปนเป็นสูตรที่เกี่ยวกับคำถามของราชกุมารีชื่อจุนทนีมีข้อความในต้นต้นว่าเมื่อพระเจ้าประทับเสด็จประทับจูชีพระเวลุวันกลันตกาเนวาปสสถานราชุมารี ชื่อวจุนธนีพร้อมโดยบริวารในข้าวข้าวพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าพนางได้ยินพี่ชายซึ่งเป็นประเจระชื่อวจุนทะได้บอกแก่นางว่าใครก็ตามที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นศสนะแล้วบทเว้น ตามบทปัญญาของศีลดังห้าประการคนออนั้นตายไปแล้วจับไม่ตกนรกคือปิดประตูอบายได้นานข้องใจสงสัยว่าที่ประจุนท่ากล่าวนั้นจริงหรือเปล่าและถ้าจริงเนี่ยการถึงอย่างไรเรียกว่าถึงพระรัตนตรัย ที่จะสามารถปิดประตูอบายได้พระมือภาคเจ้ารับสั่งตอบวัตว์ทั้งหลายในโลกจะมีขันหน้าขันหนึ่งขันสี่มีสัญญาไม่มีสัญญาคือว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกี่เท้าหรือมากเท้าอะไรก็ตามบุคคลใดที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมระสง์ ก็เป็นสนาชีพึงที่เราเลิกได้ก็จะปิดประตูบ่ายได้จริงๆแต่ปัญหาที่พระนางถามจริงๆคือถามมาถึงยังไงก็ทรงแสดงในเบื้องต้นว่าให้บุคคลปลูกฝังศรัทธาปัสสะธะคือเกิดความเชื่อเกิด ค, ความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้า การทำประสมค์คือจากตรงนี้เป็นต้นไปนะฮะก็ เ, เกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตตอนนางถามเรื่องสุกติคือไม่ได้ถามปัจจุบันรบปัจจุบันมันเป็นเรื่องสัมผัสได้ถามเรื่องชาติหน้าประสง์แสดงว่าตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติตรงนี้เราพบบ่อย อย่างที่ ย, ยกตัวอย่างคาถาของท่านอนาคามีพรมที่ประกาศในมหาสมาคมซึ่งพระรหันห์500รูปที่เป็นกษัตริย์ราชวงศ์สักยะกุิยะที่มีพระเจ้าเป็นประธานประทับอยู่ที่ปูตาคารศาลาป่ามหาวันในเมืองไพสลี มันก็กล่าวเป็นคาถาที่นำมาสวดสรรเสริญแล้วก็พระตษาจารย์ขยายต่อไปตามนัยยะพิสูจน์เงี้ยบุคคลนั้งหลายเราได้เราหนึ่งถึงถึงถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเจรึกเถิดบุคคลเหล่านั้นจากไม่ไปสู่อบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจากอย่างกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏ ซึ่งการถึงในแนวนี้บางครั้งเป็นระดับของการทําใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสน้อมใจคือขนาดน้อมใจนะฮะอาจจะยกมือยกเท้าไม่ไหวแล้วจะทาไปก็ยกมือไม่ไหวแล้วนะที่จะแสดงการพนมมือไหว้เนี่ยจ่เคดยกตัวอย่างเรื่องมัตตกุณทลีเทพบุตรซึ่งก่อนหน้านั้น ไม่ได้เคยศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าแล้วก่อนจะตายพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดโดยการฉายฉปานรังสีให้ปรากฏก็เห็นเป็นรู ป, ปรัศมีก็หันกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่ตอนนั้นมันมันมันจะตายแล้วอ่นะคือแม้แต่จะพนมมือไหว้ก็ทําไม่ได้ก็ทําใจน้อมใจเกิด ค, ความเลื่อมสายก็ตายไปด้วยใจที่พรองแพ่ บะังเกิดในสุกติหรือว่ายายแก่จันทานคนหนึ่งที่พระโมคคลลานะแนะนําให้ทําใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าคือก็ยืนตัวสั่นอยู่กําลังจะลม้มจะตายพระโมคคลลานะก็เดินเข้าไปกระซีบบอกปยายนั้นพระพุทธเจ้าเดินไปข้างหน้าให้ทําใจเลื่อมใสมก็จะได้ที่พึ่งยายหญิงจันทานนั้นก็ทําใจเลื่อมใสแล้วก็ตาย ตายด้วยใจที่ผ่องแผ้วไปเข้าสูตรที่ว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุกติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกติตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับ ก, กฎของกรรมที่เคืพูดไว้ในมหากรรมไมพังก์สูตรเพราะการที่คนไปบังเกิดในสุกติ อาจจะเกิดด้วยกุศลกรรมในอนดีตที่ตามมาให้ผลก็ได้หรือว่ากุศลกรรมที่ก็ททำในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อ น, ก, อ น, ก, อนก็ได้หรือปีก่อนก่อนก็ได้หรือเกิดกุศลเจตนาขึ้นก่อนดับจิตก็ได้ซึ่งทั้งสามอย่างนี้สามารถได้บังเกิดในสุคติได้ด้วยกันทั้งนั้น เรือบางครั้บางคราวที่มีความขัดแยง้งในความรู้สึกนึกคิดของคนบางคนทําชั่วๆนี่เอ๊ะทำไมตายบังเกิดในสุกติได้คนทําดีทําดีอยู่เนี่ยทําไมตายบังเกิดในทุกติได้เนี่ยอันนี้เพราะว่ากรรมมันมีสามช่วงการมาให้ผลของกรรมเราก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรแต่บาคนที่รู้จริงๆก็คือคนคนนั้ น, นในขณะนั้นจิตใจก็เป็นอย่างไง แต่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าระดับของความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยถ้าไม่มั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยมันยากเพราะจิตใจเรากับร่างกายมัมนสัดแย้งกันคนป่วยในร่างกายมันไม่แข็งแรงร่างกายมันอ่อนเพลียไปแรงจิตใจก็สับสนว้าวุ่นวันถ้าจิตใจไม่มั่นคงจริงๆก็าอาจจะแวงได้ นั้นจึงสรงแสดงการถึงพระรัตนตรัยในแนวที่ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งเราทาได้ทั้งสามสีแนวสี่ระดับนะฮะด้านหนึงก็คือการน้อมนรลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่เสมอโดยการสวดด้วยการสาธยายด้วยการเจริญคุณของพระรัตนตรยัยแม้จะแปลไม่ออกกนะฮะแต่วสวดไว้ไปปอย มันก็มีพุทธานุติอยู่ภายในใจสามารถที่จะเหนียวเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลตรงนี้มาไว้ ไ, วได้อีกระดับหนึ่งก็คือการทำใจสงบอยู่ด้วยบทพุตธคุณธรรมคุณอีกระดับหนึ่งก็คือการนำออกมาคิดเพื่อเพิ่มสทาวสาสาธถน เพิ่มปัญญาในคุณของพระตนไัณมากยิ่งขึน้นอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนนะฮะว่าจะมีความมั่นคงคือการน้อมเอาคุณพระตัณฐามาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตของตนปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณของพระตัณฐาพระเจ้ามีคุณยังไงเราก็อาศัยคุณเราท่านมาไว้ภายในใจเรา ในกําลังที่สามารถจะกระทําได้เพราะแนวในการพิจารณากับแนวในการน้อมนำมาปฏิบัติเนี่ยรเราเห็นว่าเป็นการเพิ่มปัญญาเป็นหลักแต่สตภาะสาทธะคือความเชื่อความรูใสึกก็จะเพิ่มขึ้นแต่แนวที่สองในแนวส่วนในสาธยายเนี่ยมันเป็นเน้นทางด้านสมาธิ แล้วก็เพิ่มสถาปาาัจจัตตมายความาใจส ง, งบอยู่กับพุทธคุณพอเราสัมผัสได้สตถาปัจจัตตมันจะเกิดสูงขึ้นทีนี้การการศึกษาให้ทราบในยะคือเนื้อหาของพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างพิสดารนะฮะ เราเชืว่าในหนังสือระดับ ค, คัมภีร์ใหญ่ๆสองเล่มเนี่ยจะอธิบายวิจิตวิสุาธ์ามากสมันตะปาสาธิกากับวิสุทธิมักคือสรุปรวมพุทธคุณธรรคุณมาอธิบายไว้ยาวเยียดเลยนะและแต่ละในยะแต่ละในยะเนี่ยคือสามารถจะเทศได้เป็นเดือนๆ เ, เนี่ยนะแต่ละหัวข้อแต่หัวข้อที่ท่านยกขึ้นมาเนี่ย พันธะเราเอาพระพุทธคุณคุณรังคุณมาอธิบายจริงๆมันจะครอบคลุมเนื้อหาพระพุทธศาสนาทั้งหมดไว้เพราะไหไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะทั้งที่ส่วนรู ป, ปรธรรมและส่วนนามธรร ม, รปปรรมการเคลื่อนไหวอาการกายวาจาใจของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะกุศลล้ว น, วนการปฏิบัติพระองค์ทั้งหมดเป็นหลักในการปฏิบัติหมายความว่า เป็นการนำในการปฏิบัติเป็นการทำให้ดูเป็นการอยู่ให้เห็นแต่ใครก็ตาม ท, ที่ทำตามที่ทรงทำมันก็ถูกแล้วแล้วก็เป็นวิถีชีวิตคือต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาถึงสี่สิบห้าปีคนที่ประสบพบเห็นก็ยึดถือเป็นแนวได้เลยตรงนั้นพระธรรมนั้นเป็นการให้สารัทฐ คือนเนื้อหาที่ถูกต้องดีงามขององค์ธรรมหลดนั้นไมว่าเราจับข้อใดก็ตามเราจะได้ความรู้ความเข้าใจพระสงค์เป็นคณะบุคคลที่คล้ายๆกับสาธิตนะนะท่านก็ผ่านการได้รับการอรมณ์สั่งสอนมาแล้วก็พยายามปฏิบัติให้ดูพยายามที่จะอยู่ให้เห็นเหมือนกัน ก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่รู้ก็หมาความว่าก็เป็นแบบเป็นแบบได้ทั้งสองอย่างถ้าเราไม่มองในแง่ในแง่ที่จะต้องการจะจับผิดเราก็จะได้ทั้งสองอย่างคือตั้งดีทั้งทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีแต่ส่วนมากแล้วเรามองมัมกมักจะมองในแง่ของการคอยจับผิดเมื่อวานมีนักหนังสือพิมพ์มาซัากถามอะไรเยอะเลย เราก็พยายามอธิบายหลักการที่ถูกต้องให้แกฟังไง น, นะฮะแต่บอกว่าไม่ไม่จะสัมภาษณ์นะหรือวคุยกันให้ฟังหรชี้แจงให้ฟังเนี่ยเพราะการมองปัญหานั้นเราจะต้องมองรอบด้านไม่เฉ่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปขีดเส้นนะว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยโดยลืมไม่ว่าจริงๆแล้วเราเองเราก็บังคับตัวเราเองไม่ได้ เราคิดจะบังคับคนอื่นได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นไอ้การที่เรามีความคิดอย่างนี้แสดงว่าเราเองนะบังคับความคิดเราไม่ได้บังคับบังคับความคิดเราให้ไปบังคับคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าใครอ่อนแอมากกว่ายิ่งเราอ่อนแอมากกว่านะ <laughs> เราอ่อนแอมากกว่าเราไปวุ่นวายกับเรื่ององคนอื่นมากไปแต่เราลืมมองกลับในประเด็นตรงนี้ เพาแนวแนวของการคิดถึงประพุทธคุณแต่ละบทแม้เพียงบทเดียวเนี่ยฮะแม้เพียงบทเดียวเช่นบทอาราหังบทเดียวอาราหังสมาธิตโตเนี่ยอาอาราหังบทเดียวก็ได้เยอะอ่ะเพราะอาราหังนั้นมีถึงห้าในยะด้วยกันใน ย, ยะแรกอาราหังนั้นเป็นบริสุทธิคุณนะฮะอาราหังนั้นเป็นบริสุทธิคุณใน ย, ยะแรกก็คือหักกรรมแห่งสัรสาระับ โดย ก, การทำลายกิเลสกับกรรมได้หมดสิน้นพระหันท่านจึงเรียกว่าขีณาศพเปลว่าอัสวะหมดแล้วปุพเพากิเลสหมดแล้วแล้วก็เรียกว่าอุญยาปะปะไปโนโคือละได้ทั้งบุญและบาปคือท่านไม่มีทั้งบุญและบาปหลังจากบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนะนะฮะแตบ่บุญบาปใน่ดีก็มีอยู่นั่นแหละ ก็พร้อมที่จะให้ผลทั้งด้านบุญและด้านบาปราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พ อ, พอท่านยังมีชีวิตพอพอท่านนิพพานก็จบกันมาความทั้งบุญและบาปอดีตนะฮะบุญบาปอดีตก็ตามให้ผลไม่ได้เพราะไม่มีขันในการที่จะให้ผลมันก็เหมือนกับความดีความชั่วที่คนทาแล้วก็ตายนะฮะ ก, ก็เลิกกันบาปมันจะไปลงโทษอะไรเขาก็ไม่ได้เ้าก็ตายแล้วแต่นั้นก็เป็ น, น้แค่อุปมานะฮะแต่ส่วนบาปก็ยังติดตัวเข้าไปส่วนบุญกยังติดตัวเข้าไปวันแนวของการทําลายหรือหักกรรารแห่งสังสารจักที่เรียกว่าวิชาตัญหาอุปาทานครับวันแนวในการพิจารณาเราก็ดู รูถึงอาการของอวิชชาของตัญหาของอุปาทานวาการเหล่านี้ใครยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งมีปัญหามากเท่านั้นแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราเดือดร้อนเป็นปัญห า, านในด้านสุขภาพจิตมากคือปัญหาอุปาทานปัญหาของใจที่สายไปยึดไปคว้าไปเก็บไปอุ้มสิ่งทั้งหลายเอาไว้ เรื่องราวต่งตางๆบางทีมันเป็นอดีตการนานไกลเก็บไว้ก็ทัดนนึ่งแต่คนก็วาวิตุ ก, กังวลจากการไปออกรายการกดแห่งกรรมต่อกันสามเสาวันนี้ก็ไปออกมันมีข้อด้านตั้งใจอย่างหนึ่งว่าการทำแทงงนีแพร่หลายมากมีทุกครั้งของปัญหาคือทำแทงแล้วมานึกเสียใจมาปิตุ ก, กังวลบางคน วันนี้ก็บอกถึงรอบปีพอดีแล้วก็ยังไม่สบายใจอยูน่นะตรานทานนี้ที่จริงค่อนข้างจะแ ก, แก้ยากนะเพราะว่ายังไงยังไงก็ชีวิตเนี่ยนะยังไงก็ทำลายชีวิตแล้วก็เป็นสนิมใจมาตลอดทีนี้การจะไปคิดมันก็อย่างนั้นนะมันคิดแต่มันได้อะไรขึ้นมาเพราะยังไงมันก็ทำไปแล้วแล้วก็พยายามทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด เรียกประโยค์คะคือการประกอบกระทาในปัจจุบันเท่านั้นเองส่วนอดีตเป็นเรื่องอดีตดีก็เท่านั้นแหละไม่ดีก็เท่านั้นเลยมรุญวัยงไงแล้วจริงคนเราก็มีไม่ดีมีดีอยู่ทั้งนั้นแต่ว่าทำยังไงไอ้ส่วนไม่ดีก็อย่าทำต่อไปก็แล้วกันส่วนดีก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นกลายกลายเป็นภูมิคุ้มกัน รักษาเราให้มียเมียนตรายน้อยลงนะฮะตรงนั้นพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่แบกเอาไว้ไม่ยึดเอาไว้มันก็ไม่เคยหนักอะไรเท่าไรทำปัจจุบันให้ดีก็ อ, อยู่ด้วยปัจจุบันอย่งแนวกรรมฐ า, านในในชตัตว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง แม้จะเหนียวถึงเรื่องอดีตแนวพุทธานตุตติเราเนียวอดีตจริงแต่ว่าเราเนียวเพื่อมาระลึอกอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสหมายความถ้าไม่มีกิเลสมันไกลจากกิกเลสมันเป็นอาการต่อเนื่องแต่นั้นเองนะครเป็นอาการคล้ายๆกับเรา ก, กินข้าวแล้วมันมีความอิ่มมันมีเรี่ยวแรงมันมีความกระฉับกระเฉงมันสามารถทํางานได้มันต่อเนื่องมันจะกินข้าว เพนผลทั้งหลายที่ท่านกระไว้เป็นคุณของประหัส น, นั้นก็เป็นผลที่ต่อมาจากการหมดกิเลสของท่านการที่เรียกว่าไกลจากกิเลสเป็นการพิสูจน์ทดสอบว่าท่านหมดกิเลสจริงหรือไม่หมายความว่าในชีวิตหลังจากนั้นท่านก็คงเจอรูปเสียงกลิ่นรสธรรมดาธรรมดาเนี่ยเพียงแต่ว่าใจท่านไม่หวั่นไหวไปตามอํานาจของอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะรักชังหลงอะไรก็ตาม เรียกว่าไม่ฟูไม่แฟบไปตามอารมณ์ดนั้นซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคงจะยากหน่อยแต่ว่าทำอย่างไงว่าให้มีความเข้มแข็งภายในจิตใจมากขึ้นหน่อยต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นอ่อนไหวน้อยลงแล้วแม้แต่ว่าจะเก็บอารมณ์เอาไว้ดุปาทานแต่ว่ามันปล่อยได้เร็วขึ้น แ่นที่จะยึดถือไว้นอนมือกายหน้าผากรุมเป็นหลายหลายวันเวลาวันมันก็ลดลงไปความคิดหมกมุ่นลดลงไปเราไปคิดแล้วมันตัดขาดไปเสียสั้นๆเคยนอนไม่หลับตั้งหลายชั่วโมงแล้วก็หลับเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าดีขึ้นแนวธรรมะปฏิบัติเป็นแนวของการขัดเกลาหรือเราก็ไม่ได้ทําได้ทันทีทัทนใดก็พยายามขัดเกลาไปเรื่อย ที่ทรงอุปมาเมื่อการขัดภาชนะสำริตเน่ยพระเจ้าทรงใช้ภาชนะสำริดนี่บ่อยที่สุดภาชนะทองเหลืองภาชนะสำริดเนี่ยคือเห็นภาพของการขัดขัดขัดขัดแล้วก็ดูยังไม่เรียบร้อก็ถูถูถูต่อไปดูแล้วก็ดูขัดแล้วก็ดูใครดูฮะก็คนนั้นเองคนที่ขัดไม่คนดูพอตรงนั้นเรียบร้อก็ขัดตรงอื่นขัดไปเรื่อยปริมาณของสนิมจะลดลงไป ปริมาณส่วนที่ผ่องแพ้วก็จะเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งซึ่งอาจจะไกลหน่อยนะฮะ ท, ที่เรียกว่าสัจจิตตประโยชน์ปะนังเนี่ยในวัตตาปิโมกแปรว่าจิตขาวรอบคือขาวหมดเลยแต่จริงก็ค่อยๆขาวนะฮะไม่ใช่ขาวเรืเดียวมันค่อยๆขาวไปเพียงแต่ว่าให้ปฏิบัติ พอปฏิบัติไปถึงจุดนี้จิตใจมันก็เข้มแข็งมีความมั่นคงอารมณ์ที่มากระทบเราก็หวั่นไหวน้อยลงก็แสดงว่าเราก็ใกลจะกิเลสอย่างน้อยก็บางระดับไกลไปได้เรื่อยๆอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ไกลแล้วไม่ทําบาป ไม่พูดบาปไม่คิดบาปแม้ด้วยใจนะสํนวนบาลีท่านว่าไม่ทําอาคู่คือบาปในที่ลับเมื่อคืนในฟังพระท่านแปลท่านบอกไม่ทําบาปในที่ลับไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ทําบาปก็ทําบาปในที่แจ้งอัิคือไม่ทําบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่ทําบาปทั้งหลายแม้แต่ในด้านของความคิดเพราะคนคนอย่างเนี้ย ไม่ว่าจะอยู่ในใครก็าตามมันเป็นคุณธรรมท่านนั่นหลายเห็นว่าเป็นคุณธรรมคนไม่รู้อํานาจแ ก, ก่อารมณ์ควบคุมตัวเองได้เนี่ยมันน่าเคารพน่านับถือน่ากราบไหวมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระอะไรเพราะว่าในสังเกคุณก็ไม่ได้บอกว่าพระนะฮะในสังเกตคุณท่านบอกว่าคู่แห่งบุรุษสีอัฏฐบุริสกัลลาบุรุษบุคคลแปซึ่งมีทั้งพระทั้งฆราวาสและจริงๆริราวาสมากกว่าพระนะฮะ กระว่าจะมีมากกว่าพระเพราะชาวพูดเนี่ยพระมันไม่ถึงหนึ่นะงเปอร์เ็นี่นะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของจํานวนประชากรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำไมพุทธการมันก็คือกันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชา ก, กรเพราะมันอยู่ที่ตัวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ที่เพศนะฮะแต่อยู่ที่คุณธรรมภายในใจเพราะการหักกรรมทั้งสาระจักก็ดีนะการที่ ไกลจากอำนาจกิเลสอารมณ์ทั้งหลายก็ดีการไม่กระทำบาปทังในที่รับในที่แจ้งก็ดีหรือแม้แต่ก็ย่อมอยู่ในฐานะที่ควรไหว้ควรบูชาควรเคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายสัมมาสัมพุทโธนั้นออกจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของกา ร, รสัตรู้เราลอกเรียนค่อนข้างยากนะฮะลอกเรียนค่อนข้างยากแต่ว่าอะไร ถ้าเรามองกลับไปที่ว่าพู้เจ้าศัตรูอะไรก็ตอบว่าศัตรูอริยสัจสี่พอ ม, มาถึงตรงนี้เราก็ตามเสด็จได้ละเมายความว่าทำยังไงจะอยู่ยังมีเหตุผลเพราะรู้อริยสัจสีก็กคือรู้เหตุผลตัดเหตุแห่งความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงสร้างเหตุแห่งความสุขได้สมบูรณ์ก็เข้าถึงความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงเข้าถึงความสุขได้จิตสมบูรณ์นั่นๆๆคือคือระดับอุดมการ การดํารงชีวิตของคนเราถ้าหากว่าอยู่ยังมีเหตุผลว่า น, นี่เหตุของความเสื่อมนี่เหตุของความทุกข์ไอเ น, นี่ยเป็นเหตุได้นอนไม่หลับไอเ น, นี่ยเป็นเหตุได้ทะเลาะกันที่บ้านเราก็ตัดเหตุจะถามมาให้ใครตัดปัญหาว่าผลมันเกิดที่ใครนะคนนั้นก็ต้องเป็นคนตัดไม่ไม่ใช่ว่าไปกะเกงในคนนั้นคนให้ให้คนอื่นก็ทําเพราะธรรมะปฏิบัติในจิมเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆ แต่ว่าเรามักจะไปมองที่เรื่องคนอื่นจริงๆธรรมะไปเรื่องส่วนตัวนะฮะที่ที่พระเจ้ทาทรงสอนในส่วนคำมัสกมีคมนายอย่โดเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นกรรมเกิดมันแสดงให้ชัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยแต่และคนรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทําแล้วคนหนึ่งจะต้องไปรับผิดชอบ เมื่อวาเนีนักข่าวก็ถามเหมือนกันบอกว่ามันก็สองสองระดับนะระดับหนึ่งมันเป็นกระแสสังคมคือกระแสสังคมเนี่ยสามารถจะป้ายสีคนดีเป็นคนชั่วคนชั่วเป็นคนดีได้นะฮะสามารถปลูกเสกคนชั่วเป็นคนดีได้สามารถป้ายสีคนดีเป็นคนชั่วได้แต่จริงๆเขาไม่ได้ชั่วจริงเขาไม่ได้ดีจริงในแง่กระแสของกรรมเขาคงเป็นไปตามกรรมเขาแต่ถ้าแง่สังคมนี่ได้นะ ตางคมนมัจจะจับคนดีใส่คุกก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นได้แต่เป็นบาปของสังคมไม่ใช่บาปของคนนั้นคนนั้นติดคุกเฉพาะกายแต่นั้นเองแล้วก็ติดคุกเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นแต่ว่าสังคมนั้นติดคุกใจแล้วก็เป็นบาปที่ตัวเองจะต้องชดใช้ทังในาชาติปัจจุบันและในภายภาคหน้าเพราะงั้นสังคมเราเนี่ยถ้าเข้าใจกฎของกรรมนะ จะประเด็นกฎของกรรมให้ได้แล้วมาวุ่นวายมันลดลงไปเยอะเลยแต่เราสับสนในเรื่องกฎของกรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือมักจะเข้าใจกรรมในแง่ว่ามาเป็นความชั่วอย่างเมื่อคืนก็ลองฟังพระที่เขาพวกลูกศิษย์เขาไปออกรายการในตทยุก็ลองติดตามมาฟังดูมันตั้งแต่ตีสองเลยนะของสามรายการมูฟังไปถึง ส่นเชา้าคำถามเนี่ยมันมันจะมาลักษณะยอย่างนี้แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเข้าใจกรรมคล้ายๆกับเฉพาะความชั่วเข้าใจว่ากรรมก็คือความชั่วที่จริงกรรมไม่ใช่นะฮะกรรมคือกลางๆกงรรมคือการกระทาดีก็ได้ชั่วก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้ท่านเห็นว่าถ่ายอุจาระปัสสาวะก็เรียกกรรมนะฮะอุจาระกรร ม, มังปัสสาวะกรรมมังเรียกกรรมเั่นั้นแหละ กรรมก็คือการกระทําทั公公公 Blessed, may may result, ้งหลายนะฮะด้วยเจตนาดีก็มีไม่ด <Natural> ีก็มีกลางกลางก็มีกินข้าวก็เป็นกรรมอาบน้ำก็เป็นกรรมรีดผ้าก็เป็นกรรมกรรมทั้งนั้นเราก็คือการกระทาเท่านั้นถ้าเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเจตนากลางกลางก็เป็นกรรมกลางกลง พระอริยเจ้าท่านทั้งหลายก็ทําในส่วนที่เป็นกลางกลางใส่วนที่เป็นกุศลแต่ท่านไม่เรียกว่ากรรมแา่เรียกว่ากิริยาเพราะว่าเป็นการกระทําที่ไม่เจือด้วยกิเลสเพราะงั้นการกระ ท, ทําที่ที่เจือด้วยกิเลสเท่านั้นท่านยังเรียกว่ากรรมถ้าไม่มีกิเลสท่านก็ไม่เรียกว่ากรรมประการต่อไปวิชาชนะสัมปันโนผููเรื่องละเอียดวิชานั้นเป็นผลของการแบบ ปฏิบัติแพ่พัฒนาจิตใจขึ้นมาจนทาให้ท่านเป็นพระหันเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะเวิชาที่ที่สำคัญเราขนาดสามวิชานะเอาขนาดสามนะก็คือว่ า, อาลึกชาติก่อนๆได้เราไม่ต้องเอาลึกชาติก่อนนะเราลึกปัจจุบันเนี่ยนะ หรือปัจจุบันเอาปัจจุบันชาติปัจจุบันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเป็นอะไรมีฐานะมีตระกูลยังไงใครเป็นพ่อเป็นแม่วงศาคณะรัฐอะไึก็ได้แล้วอย่าลืมชาติตัวเองอย่าลืมอดีตต้นตัวเองมันก็ช่วยอะไรได้เยอะเพราะว่าอดีตเราไม่ต้องออกไกลขนาดชาติหน้าเอ้จะไดก่อนะเอาเอาชาติชาติบ๊วยบ๊มก็มีบทเรียนมีประสบการณ์มี ครูที่ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆอีกเป็นอันมากแล้วก็อยู่ตัวปาฏยานรู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทำเราย้อนอดีตดูอดีตของเราที่เราประสบความถูกความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความสำเร็จความล้มเหลวเราเห็นว่าที่จริงมันก็เกิดมาจากกรรมคือการกระทำของเรา มันก็กลายเป็นครูทั้งสองด้านคือด้านทีควรใหการงดเว้นด้านทีน่ควรประพฤติปฏิบัติที่พระเจ้าทรงย้อนไปสู่ภพชาติต่างๆเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับภพบชาติมันก็คือเกิดมาจากเรื่องของกรรมแล้วก็อาสวกคยานทําอาสวะทำกิเลสก็คงจะไม่หมดก็เอาให้จางๆเ บ, บาบๆงลงไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือว่าไวสูงขึ้น ความตายก็ใกล้เข้าทำยังไงว่าสมบัติที่จะติดใจนะฮะสมบัติติดใจสมบัติติดตัวนะมันไม่มีหรอกมันมีแต่สมบัติติดใจก็คือความดีที่เป็นคุณภาพของใจเรียกว่าคุณภาพทางจิตวิญญาณที่ทำให้ใจมันสูงขึ้นเหนือกระแสของกิเลสเหนือกระแสของอารมณ์หลายๆระดับ เป็นสิ่งที่ทรงสอนปลุกเร้าให้ตื่นบางครั้งที่ทรงเน้นโดยเฉพาะเห็นรับสั่งแกภพราหมณ์แก่คนหนึ่งว่าตอนนี้อายุของคุณก็แก่หงอมแล้วพระชราอาอายุาวะมือเท้าอะไรมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะงั้นให้รีบเร่งสร้างสเบียงคือกุศลทรงชายกวมาสเบียงนะใช้กำว่าเกอก กาก็คือแนวที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัตรคือในกระแสมหาสมุทรเราต้องมีเกาะขึ้นเกาะไปไหลายอยู่ในมหาสมุทรเราก็ตายสัตว์มันเยอะแล้วก็บางทีในทรงใช้กับมศเบียงสำหรับเดินทางรูปของการเดินทางนะฮะและรูปของการที่พึ่งภำักก็ทรงอุปมาบุญในสองแนวแนวหนึ่งก็คือเป็นสเสบียงสำหรับเลี้ยงตัวเองช่วยแก้ปัญหาแก่ตัวเอง ใ น, นเดินก็คือที่พึ่งพํานักเป็นที่อยู่อาศัยแล้วสามารถจะเลือกที่อยู่อาศัยได้แต่มากความว่าเราก็ต้องมีบุญมากกว่าที่ควรใกล้ๆก็ได้ยใกล้ๆกัเรามีความรู้มากมีความสามารถมากเราเลือกงานได้เรามีเงินมากเราสามารถเลือกกินเลือกอยู่เลือกไปเลือกพักเลือกเที่ยวได้ แต่ถ้าเรามีน้อยเราก็มีโอกาสเลือกได้น้อยบันบุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าบุญมากเราเลือกภพชาติ่างได้เลยนะฮะเลือกภพชาติเงได้ว่าจะไปเกิดเป็นที่ไหนแล้วประการต่อไปก็คือสุขโตไปดีมาดีอยู่ดีนะะ ที่จริงพู้เจ้านั้นเที่ยวกว่าเสด็จมาสู่โลกนี้มาดีแล้วทรงประสบความสําเร็จคือการบรรลุเป็นพระเจ้าก็บรรลุโดวยวิธีการที่ดีคือถูกต้องตามแบบประเพณีที่พระเจ้าทั้งหลายได้ส่งบรรลุและเสด็จไปในที่ใดก็เสด็จไปดีเป็นบุคคลสิริมงคลแม้ได้เห็นก็เป็นมงคลได้ฟังก็เป็นมงคลเข้าใกล้ก็เป็นมงคล ลองนึกดูว่าพระเจ้าพิมพิสานั่นนะพระเจ้าปิมมิสารได้่าตั้งความปรารถนาไว้ห้าข้อมันเป็นมาตรวัดสภาพคุณธรรมไปในใจคนได้อย่างดีการตั้งความปรารถนานะี่พระเจ้าพิมพิสารตั้งความปรารถนาห้าข้อนะี่เพื่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อเดียวแต่นั่นเด่นแต่เพื่อธรรมะได้ตั้งสี่ข้อ ข้อที่หนึ่งขอให้พระองค์ได้รับอภิเศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงราชครึกประการที่สองขอให้พระหันผู้สัตว์ตรีสัตรูชอบด้วยพระองค์เองสเสด็จมายัางแว่นแคว้นของพระองค์ประการที่สขอให้พระองค์ได้เข้านั่งใกล้พระอรหันต์พระองค์นั้นขอนั่งใกล้อะไรนะขอท่งใกล้อธิษฐานด้วยตั้ง แล้วข้อที่สี่ขอให้พระหานพระอคนั้นแสดงธรรมแก่พระองค์แล้วข้อที่ห้าขอให้พระองค์รู้ทั่วถึงธรรมของพระหานพระองค์นั้นเด่นว่าทั้งสี่อย่างเนี่ยมันเป็นอุดมมงคลหมดเลยในสมนานันจะรัศนังในการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลเพราะงั้นผู้เจ้าแม้แต่พบเห็นแม้แต่ได้ยินพระสุรเสียงแม้แต่น้อมใจระลึกถึงมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้น เพราะงั้นเป็นสิริมงคลของผู้แม้แต่ได้พบเห็นได้ยินได้ฟังได้ข่าวได้ระลึกถึงเป็นอุดมมงคลด้วยกันทั้งนั้นสุขโตก็คือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยพุทธเจริยาพระเจ้านั้นทรงประกอบด้วยจริยาสามป ร, กระการประการแรกก็คือโลกาตจริยา ทรงทำประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกพเจ้าทรงเป็นโลกกัณ น, นาเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโลกกัณยยกเป็นผู้นำของชาวโลกแต่ที่พระองค์เรียกพระองค์เองว่าเป็นโลกกฤชเป็นพี่คนโตของชาวโลก ที่พระองค์เรียกเองนะพระองค์เรียกว่าพระองค์เป็นพี่คนโตของชาวโลกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรใหญ่โตอะไรมากมายนะว่าแต่ว่าเป็นพี่คนโตของชาวโลกทรงอุปมาเก่เวิรัติพราหมว่าชาวโลกเนี่ยเหมือนกับไก่หมื้ไก่ที่มันอยู่ในกระพองไข่และพระองค์เองก็คือไก่ตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อยู่ในกระพองไข่ด้วยกันกระเป๋องฟองไข่ด้วยกันแต่พอดีพระองค์เจาะกระพองกระเปาะฟองไข่ออกมาได้ก่อน กระปอกควงไข่ก็คืออวิชาพระองค์ก็ทำลายวิชามาได้ก่อนพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพี่แล้วก็สอนน้องๆให้เจาะกระปอก ค, งคองไข่ออกมา <laughs> ก็พระองค์ก็เป็นพี่แต่นั่นเอง <laughs> เป็นพี่เป็นพี่ของชาวโลกแต่นั่น <laughs> คือไม่ได้ทำพระองค์เป็นเจ้าบุญนายคุณแต่ว่าทำพระองค์เป็นผู้ที่โอบอุ้มด้วยกรุณาต่อชาวโลก ก็ทรงเรียกรวงว่าโลกระเช็ดพระองค์ก็ตาต้องต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือน้องๆด้ยการเสด็จเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆทั้ ง, างคามนิคมชนบทราชธานีทรงสั่งสอนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งปีนี้มี ม, ม, มีข้อตินด้สังเกตมามีรายการเนี้ยเยอะเลรายการที่จะ ศึกษาธรรมะที่เกี่ยวกับการปกครองที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับสังคมจนถึงเกี่ยวปัญหาโรคเอดส์ลเลยมาเยอะเลยวันนี้เออมันก็ดีนะฮะคนเริ่มหันเข้ามาหาศาสนาในวันที่ตะไรลืมไปแล้วเดขาราชการสภาพัดนิมนต์ไปเพื่อให้ไปอธิบายเรื่องเหล่านี้แล้วก็เวลาก็ประชุมทําแผ น, นะนะฮะก็จะนิมนต์ไปด้วย ก็มันจองตัวไว้จะให้เป็นที่ปรึกษาสายสังคมสภาพัฒน์เนี่ยพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมนะฮะและสังคมในเพิ่อนสายเข้าไปปัญหาเกิดหมองสังคมตอนนี้เราโดเราเกิดบริวิตกปัญหาเรื่องสังคมก็ราะไรเพราะว่าพัฒนาไปพัฒนามาเนี่ยปรากฏว่ามันมันมันจเจริญแบบการ์ตูนคือไม่จเจริญแย่มีสัดส่วน ทางกายภาพเจริญแต่ทางจิตมันไม่เจริญพอจิตไม่เจริญก็เลย ก, กลายเป็นตัวปัญหาไปสร้างปัญหาแล้วพอสร้างปัญหามันก็สร้างรุนแรงสร้างโดยไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะไม่สายหรอกแต่ถ้าท้าท า, ายามคิดก็ก็คงคงไม่สายแต่ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องเพื่อลอง สังเกตว่าระบบชั้นนำของสังคมเนี่ยไม่มีความต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาออกมาในเป็นกรรมการเยอะเลยแต่ไม่เห็นวต่อเนื่องเลยบางทีประชุมครั้งเดียวเลิกเลยยังนึกจะเอาไว้ตาตั้งกรรมการเข้าแฟ้มไว้เนี่ยเป็นปึ้งไงนะแต่ไม่บางอย่างในประชุมครั้งเดียวสองครั้งหายหหหายมันมือหวา่ามันเป็นลมเปรลมพัดมันมันอะไรอะ มันไปไปตามกระแสะกระแสลนะักษณะลมที่ลมมันเป็นกระแสะเดี๋ยวนี้มีข่าวข่าวทางหนังสือพิมพ์นะฮะแต่ยังไม่เห็นพฤติกรรมในมีข่าวไรเงาว่าท่านอธิบดีขอตํารวจเขาวัดคังมําจําศีลทุกวันพระกระทรวงศึกษาธิการเคยทำตรงนี้เคยเทศตรงนี้ามาเคยเทศสี่หครั้ง มีประรลัดกระทรวงคนเดียวที่นำเพื่อนมานั่งฟังเทศประรลัดสมานแสงมลิพอประหลัดสมานเกษียณก็กเกษียณเรียบร้อยโรนะงเรียนจันเกษมเลยอันนี้คื อ, ค, อคือเราขาดการนำที่มีความต่อเนื่องแต่ว่าเราเองต้องเคลื่อนไหวในสังคมอย่างต่อเนื่อง พอไม่มีการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องค่ะๆก็อากาศอาหารเนี่ยนะธรรมะบังเบื่อนก็อากาศอาหารนะเราก็ต้องกินอยู่ตลอดเราต้องหายใจอยู่ตลอดต้องมีตลอดเพียงแต่ว่าใช้บ้างหรือใช้น้อยเพราะแนวสุกโตเนี่ยหมายความว่าเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไปดีพระพุทธเจ้าบอกแม้แต่เห็นก็เป็นมงคลเนี่ยนะคร ทีนี้ในฐานะก็เรียกว่ายาตัถาจริยาในฐานะที่เป็นคนของครอบครัวเป็นคนของราชกุลสั ก, กยะท่านหลายลองสังเกตว่าถ้าถึงราชกุลนี่นะถ้าถึงราชสกุล น, นะนี่จะมีวิธีเทศที่แปลกพระเจ้าจะไม่ได่าการเมืองนะจะไม่เท่าการเมืองเลยเช่นเเนี่ยเช่นเ จ, จ, จ, จักรวติดติวัดราชสังฆาตพิษราชตามอะไรต่ไรเนี่ยฮะ ที่เขาเรียกว่าธรรมนิติพวกธรรมนิติทั้งหลายที่เอามาเป็นราชนิติเริ่มบลเริ่มเนี่ยพุทธเจ้าเทศเป็นประวัติศาสตร์จะเล่าชาดกให้ฟังจะไม่เทศตรงๆจะเล่าชาดกให้ฟังแต่ถ้าพระญาติและเอานะฮะพระญาติและเอาเลยไม่นิมนต์ก็หาเรื่องเทศจะได้ถ้าพระญาติแล้วไปยังอย่างเนี้ยอย่างอย่าง ที่ใดไม่มีสัตวบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษสัตบุรุษจะต้องลดราคาโทรศัมหอถที่ก็เอามาจัรึกไว้ที่รัฐสภานะฮะ น, นั้นเทกับพระญาตินะฮะเทกับพระญาติเสด็จไปเขาไม่นิมนต์นะเสด็จไปเลยเด็จไปเทศในสภาก็เลยหาเรื่องเข้าไปจนได้นะหาเรื่องเข้าไปจนได้ทรงใช้พุทธานุภาพ ป, ประดานฝะนตกขอหลบฝนเนี่ยฮะขอหลบฝน เพื่อจะเข้าไปแล้วก็หาโอกาสเอาโอกาสที่จะพูดเรื่องสภาเพราะว่าเราจะเห็นว่าร ะ, ระดับนำเนี่ยเขาไม่ชอบฟังพระนะเขาไม่ชอบฟังพระตัวพระพูดตรงๆพระพูดไปตรงๆพระไม่ได้เป็นกลุขบวนประโยชน์อะไรแต่ว่าธรรมะว่าอย่างไงก็จะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่ก็อชอบใจธรรมะเนี่ยเขาเมื่อยชอบไปพูด ลองดูว่ารัฐสภาเรานี่แหละนิมนพระไปเทศมีผู้แทนฟังอีกสามคนนอกนั้นเป็นนักการพันรวมๆแล้วยี่สิบกว่าคนไม่ฟัามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันบางมาิติต้องหาเรื่องเทศพระยา ะ, ะลอกกันถ้าชาวบ้านทะลอกกันพระ้าจะมองเป็นแง่ของกรรมแต่ถ้าพระยาถลาะ ก, กันนี่เสด็จเลยเอาเลย นั่นค is like ือในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชกุลทําได้นะฮะครอบครัวเป็นเรื่องครอบครัวแต่ถ้าเรื่องคนอื่นมันมันไม่ได้นะครับคือเขาไม่ขอรองเขาไม่อาลัตนาเราไปวุ่นวายก็ไม่ได้เขาด่าเขาโกรธเป็นบาปแก่คนหล่อนั้นเป็นบาปแก่เขาตรงนั้นการมองการทํางานของผู้จ่าราจินมัเหมือนกับหมอรักษาโรคมันต้องมองโรคแทรกซ้อนด้วยมันต้องมองโรคกระทบ จากว่าตรงนี้หายแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงมันเกิดโรคแทรกซ้อนใหม่ที่เกิดเดี๋ยมันจะเกิดแรงหรือเปล่าถ้าเกิดแรงก็ต้องต้องต้องต้องต้องหยุดไว้ก่อนเอาก็ทําไม่ได้แล้วก็พุทธะเจริยาพุทธะเจริยาคือฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างที่บอกว่าพุทธเจ้าทรงเป็นพี่ทรงเป็นผู้นำนะทรงเป็นที่พึ่งทรงเป็นศาสดา มันก็มีวิธีที่ปฏิบัติต่อต่อพุทธบริษัททั้งหลายและลองสังเกตว่าถ้าเป็นอุบาสกาสิกาเนี่ยไม่มีวิธีแรงนะไม่มีวิธีดุนะฮะโอ้เจ้าไม่ดุอุบาสกาสิกาไม่ดุแต่ถ้าพระภิกษุสามเณรแล้วเอาเรื่องเลยดุเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเนี่จะปีเกณฑ์หนึ่งว่าเกณฑ์ขนาดนี้ก็พอลนะ ทีนี้เว้นไว้แต่ว่าชาวบ้านไปคุกคามพระคุกคามเบียดเบียนพระข่มขู่พระอะไรแตลอดมันมีวิธีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพว่ำบาตรกาหนดเป็นมาตรการให้พระลงโทษชาวบ้านคือโดยการพว่ำบาตรได้นะฮะแต่ชาวบ้านในนี้คว่ำบาตรเขไม่ได้ก็ฟ้องหมิ่นประมาทเดืกรติดคุกได้ว่ามาตรการทางวินัยนี่มีกําหนดไว้พระว่าชาวบ้านเบียดเบียนพระมากแล้วก็ประกาศคณะสงฆ์ประกาศคว่ำบาตร ความบาดก็ไม่มีอะไรแล้วฮะคือว่าพอเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็ข้อมบาดไม่รับบาดหมายความันเขาตัดบาดก็ก็ไม่รับแต่คนบางพวกเขาก็ชอบไะนะก็ไม่ได้บาดอะไรอันนี้ก็คือภารกิจที่ ท, ทรงธรรมในลักษณะที่เราเรีเสด็จมาดีนะคนเวลาพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเนี่ย เขาจะแสดงความชื่นชมก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกตจยโกโหตุมาราชาแต่ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ครับนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาดีแล้วนานแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาทีนี้นะคนจะแสดงความชื่นชมแล้วโล ก, กวิทูนั้นเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่มีความรอบรู้มีความเข้าใจโลกทุกๆโลกนะ ท, ทุกโลกโลกระบบสากลและจั ก, กรวาลตามปกติเราไม่เอามาพูดประมันยาวมากแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาทางจั ก, กรวาลวิทยาซึ่งหมายความว่าถ้าพูดเนี่ยมันพูดเป็นศาสตร์ทางโลกซึ่งมันห่างไกลตัวเองออกไปโดยลำดับและถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จริงเนี่ยคนก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เขาจะหาเอาพุะจาโกหกมันเป็นบาป พระเจ้าจึงไม่ค่อยพูดในแนวนี้นะฮะแต่จะพูดในแวดวงของพระอธิบายเรื่องโลกจากกวาลความเป็นมาจากกวาลระบบสุรยิยะจากกวานในทรงอธิบายนะที่จริงอนะ่ะแต่เราจะเห็นว่าพระไม่เข้ามาเทศโปรโตเทสเราจึงยาวมากเลยมันต้องเรียนกันในชั้นเรียนแล้วก็เรียนไปเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปจริงพระเจ้ารู้ละเอียดหมดเพียงแต่ว่าจะไม่สอนในแนวที่ รับสั่งว่ามันเหมือนใบไม้ในป่าปรู่ลายกับใบไม้ในกำ ร, รหรันสิ่งที่รู้นั้นเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่นำมาสอนนั้นเหมือนเหมือนใบไม้ในกำ ม, มือคือสอนเฉพาะที่ใกล้ตัวสอนสิ่งที่เป็นปัญหาสาเหตุของปัญหาความไม่มีปัญหาหลักการวิธีการในการแก้ปัญหาไม่จะสอนแล้วไกลตัวออกไปทุกทีแล้วผลที่ได้เราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ คล้ายกันนี่คลายกันสารัฐคายคายกรัฐเซียดีโค้ดฟ้าไปถึงจักรวาลวงจักรวาลสมุทรศาสตร์ท่วงอวกาศดาวต่างๆแล้บนทยปัญหาภายในประเทศยุง่งรุงรังแก้ไม่ได้ทุกวันก็ยังแก้ไม่ได้ถึงสองชาตนะินี้ก็คือวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เราสูญเสียเวลาไปเว้นวว้แต่ว่ามันมันมีปัญหาจะต้องปูุกบพู ด, พดแต่ว่าโลกที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือโลกคือมูสัตว์โลกคือสังขาร โลกคือสัตว์นะสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์มนุษย์ตัโลกโลกคือมนุษย์นะฮะสังขารโลกโลกคือสังขารโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินตัวเนี้ยจะศึกษาเรียนรู้มันใกล้ตัวเราการศึกษานั้นจะศึกษาแนวของอริยสัจศึกษาในแง่ที่เป็นสภาวธรรมบ้างเช่นคำว่าโลกเนี้ยเราเองก็โลกนะฮะอายตนาโลกขันธโลกตานี่ก็เรียกวาอายตนาณโลกชีวิตทั้งนี้ก็เรียกว่าขันธโลก ดินน้ำลมไฟก็เรียกว่าธาตุโลกเรียกว่าโลกทางนั้นนะฮะเรียกโลกทางนั้นแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสลายไปตามธรรมดาโลกคำว่าโลกเนี่ยคือสิ่งนี้ต้องแตกสลายไปตามธรรมดาเท่านั้นเองเหมือนกับรูปเนี่ยคำวมารูปคือสิ่งใดก็ตามที่ต้องเสื่อมสลายไปเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเราก็เรียกว่ารูปคำว่าโลกก็คือสิ่งนี้ต้องแตกสลายไปหมาว่าอะไรก็ตามเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสังขารนิสูรก็ต้องแตกสลาย ถ้ามองในแง่แตกสลายนั้นก็จะสนในแง่ของสภาวธรรมแต่ไม่ใช่ปรงตกและนั่งเซ็งนะไม่ใชโปรงตกและนั่งเซ็งแต่โปรงตกแล้วปีปัญญารู้เท่าทันโดยไม่ประมาทร่างกายมันจะแตกดับแล้วเรารีบเร่งกระทำความดีเรือมันกำลังรั่วจะจมแล้วเราต้องรีบพายเถ้ยขึ้นถึงฝั่งให้ได้เลยนะคือว่าคิดในนาน ในในแนที่จะต้องไม่ประมาทบางทีเราสอนสอนกันจนนั่งเซ็งหมดเลยเอ๊ะได้ยังไงนะตาไงก็นั่งเซ็งๆ ง, ง, งั น, นรอตายอยู่มันไม่ไม่ไม่จะสอนให้รอตายนะสอนให้ตื่นตัวสอนให้ตื่นตัวเพราะว่าที่ยังสอนใล้ๆ ก, กับเรือก็บังถูกไฟไหม้เนี่ยเรือก็ บ, บังถูกไฟไหม้อะไรอยู่ในเรือนคุณที่บออกไฟบังก บ, บงไหม้ให้มองชีวิตในลักษณะตื่นตัวอย่างนั้น อย่าลืมว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดนั้นต้องมีความไม่ประมาทเป็นมูลทุกเรื่องนะดูความแปลความเจ็บความตายการพละดพลาดนี่ต้องมีความไม่ประมาทเป็นมูลทุกอย่างนี่ต้องอาศัยสติสติกับความไม่ประมาทเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็โลกคือคือมูสัตส ร, รงมองในแง่ของสังสารวัฏมองในแง่สังสารวัฏมองในแง่ที่ สราวชีวิตเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะต้องมีเมตตาไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันเพราะการเบียดเบียนกันนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นในโลกแล้วข่าวคร า, าวตรงนี้ดีนะฮะที่ญี่ปุ่นมาติดตามอยู่ไม่มีข่าวอันญากรรมหรือเขาไม่รายงานไม่รู้นะฮะไม่มีข่าวอันยา ก, กรรม ว่าแสดงว่าไอ้วิหิงสาคือการเบียดเบียนซ้ําเติมคนคล้ายๆกับบ้านเราเวลาไฟไหม้เนี่คนช่วยก็เยอะนะช่วยช่วยคนของเอาไปบ้านก็เยอะเลยอันนี้ข่าวอัญยกรรมตรงนี้ไม่มีข่าวแต่ว่าอาจจะมีก็ได้นะเพียงแต่ว่าไม่มีข่าวก็บอกพวกยากูซ่าเองไงยากูซ่าเองยังออกช่วยคนนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่ควรยกย่องนะะเมื่อเขามีการ ก, การะทําที่ที่น่ายกย่องนั้นคืออะไรก็คือ สัตว์ตะวโลกเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เ อ, อื้อทอนวงใหญ่สงเคราะห์ุราะกันแล้วในแง่ของโอกาสสโลกซึ่งเป็นแนวอนุรักษ์นะในโอกาสสโลกแนวภาค พ, พื้นแนวโลกเนี่ยพุทธศาสนาจะสอนในแนวอนุรักษ์ในแนวอภิบาลบำรุงรักษาไม่ประทุษร้ายถือว่าสิ่งนี้มีคุณูปการ เรามีนาทีธรมมธรมนะมีรุกขธรมธรมนะมีรุกขธรรมก็ธรรมะที่เกี่ยวกับต้นไม้มีนาทีธรมธรมธรรมะที่เกี่ยวกับแม่น้ำมีปฐวีธรมธรมธรรมะที่เกี่ยวกับดินนะจะต้องสํานึกกระตันอยู่รู้คุณตรงสิ่งเหล่านี้ไม่ประทุษร้ายสิ่งเหล่านี้เพราะจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะดินน้างลงไฟส่ว น, วนใหญ่แล้วเราก็คือดินน้างลงไฟส่วนส่วนย่อยจะแนวอนุรักษ์ ถ้าเรายัางรักษาแนวนี้เราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวิกฤตการณ์น้ำนแต่นี่รณรงค์วิกฤตการณ์น้ำกันเยอะแล้วเราลองสังเกตว่าเราย่ํายีธรรมชาติย่ายีแม่แม่น้ําแม่ประปรงคาเนี่ยฮะแม่ตกปลกหมดแล้วเดี๋ยนี้อันนี้ก็คือก็คือเราละชิงธรรมะที่เกี่ยวกับหน้าที่ทําเกี่ยวกับรุกธระทเกี่ย ว, ยวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยธรรมชาติโลกโลกเนี่ยสํานึกกระตันอยู่ สำนึกแนวอนุรักษ์แนวอภิบาตแนวที่ถือสิ่งนั้นเป็นที่ยิ่งอาศัยนะแล้วก็ให้ความสำคัญสมัยโบราณในะเราตั้งใจเราเรียกพระเยอะนะฮะเรียกพระทรณีพระพายพระแม่คงคาพระแม่ธรณีดินกับน้ำเนี่เรียกแม่ดินกับน้าเนี่เรียกแม่แต่ว่าไฟไฟนี่ไฟกลมนี่เรียกผู้ชายนะฮะดุดูงั้นเลย ไฟก็ะลมก็เรียกว่าพระพายุพระพายาก็ไฟก็เรียกพระอัคณีหรือว่าพระสุริยเทพอะไรเนี่ยตรงลงมาธาตุสีเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองธาตุเดินเนี่ยเป็นผู้หญิงดินกระน้ำธาตุร้อนร้อนบือบาบืบาเนี่เป็นลมของไฟเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ชายแต่ว่าต้องอิงอาศัยกัน เราเห็นว่าแนวจะสอนในแนวของการนึกคุณนี่เป็นโลกวิถูแล้วก็อนุตตรโภคริทธรรมสารติเป็นสารติที่ฝึกคนได้อย่างเยี่ยมการฝึกนั้นให้ลองสังเกตพระเจ้าเริ่มที่ฝึกพระองค์เริ่มนี่ฝึกพระองค์เองพยายามฝึกปรือในส่วนของพระองค์แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวงพระองค์ลองผิดลองถูกในส่วนของพระองค์มา เมื่อยังฝึกโปร่งไม่เสร็จไม่สอนนะฝึกโปร่งไม่เสร็จไม่สอนพระสาวกชุดแรกเอาอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเอามาในฝึกตัวเองไม่เสร็จก็ไม่สอนแต่ ว, ว่าต่อมาสาววกรุ่นหลังเนี่ยมันมันเอาไม่ได้แล้วเพราถ้าทําอย่างนั้นบางทีก็ไม่ต้องสอนกันเลยเอาก็เธอมีหน้าที่เป็นทูตก็แล้วกันอา่านราชสารมีหน้าที่อา่านราชสารหมายความว่า ราชาสตร์นั้นไม่ใช่ของเราแต่ของพระราชาเรามีหนะ้าที่อ่านให้ถูกแล้วกันเมื่อเวลาพระเทศนั้นจะอ้างนะจะอ้างอ้างที่ไปที่มาแล้วก็เรามีหนะ้าที่อธิบายชี้แจงตามที่ท่านอธิบายชี้แจงไว้หรือไม่จะว่าเ อ, าเองต้องมีที่ไปที่มามีหลักฐานในการอ้างอิงเป็นสาระทีที่ฝึกคนได้อย่างดี สิริการการฝึกคนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าเราเอามาใช้ทำอะไรได้เยอะเลยนะวิธีฝึกทรงอุปมาเหมือนสารถีที่ฝึกมา้ารับสั่งตอบแกนายเกษีซึ่งเป็นสารถีฝึกมา้าพระเธอมีวิธีฝึกม้าอย่างไงนะยอดสารถีเหมือนกันนะนายเกษีเนี่ยฝึกม้าเก่งมากใครๆก็ส่งม้ามาให้ในายเกษีเป็นคนฝึกพระเจ้าถามว่าเธอมีการฝึกยังไง แกก็บอกว่ามันก็ฝึกด้วยวิธีหยาบตามโดยละเอียดนะม้าตัวใดที่มันดื้อมันกระด้างมันแข็งกร้าวก็หยาบก่อนแล้วก็ตามโดยละเอียดแต่ม้าบางตัวมันอญณาสายมันดีแล้วมันไม่ต้องหยาบเริ่มที่ละเอียดได้เลยพระพุทธเจ้ารับสั่งถามแล้วถ้าม้าบางตัวที่ฝึกไม่ได้เนี่ย ม, มีไหมแกบอกว่ามีแล้วทาไงฆ่าเลยฆ่าได้เลยเพื่อไม่เสียชื่อ เสียวฝีมืออาจารย์แกก็ถามพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสารติฝึกคนพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสารติฝึกคนนี่ฝึกยังไงพระเจ้าเหมือนกันน่ยพระเจ้าบอกเหมือนกันหมายความมันหยาบตามโดยละเอียดเขาเรียกว่านิฆะมุขะเทศนาคือกำราบก่อนกำราบก่อนคล้ายๆก็เอาไม้สูงมาทาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะต้องปราบมาก่อนแต่บางอย่างมันฝึกด้วยก็ เ, เรียกว่า อนุกหามุขเทศนาเริ่มที่อ่อนคล้ายๆกับไม้ดานอัดประธำเฟอรีเจอร์ก็ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็ตัดตๆๆตตัมันต่อต่อไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วนายเกสีถามมาแล้วถ้าคนนี้ฝึกไม่ได้มีพระวุฒิภูมมีเดี้ยวทําไงก็ฆ่าหมายความไม่ฝึกคําว่าฆ่าในที่นี้คือหมายความไม่ฝึกฝึกไม่ได้ก็คือไม่ฝึก พระเจ้าจึงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกนะฮะไม่ใช่ฝึกได้ทุกคนหรอกคนเรามีกรรมของตัวไปฝึกก็ได้ยังไงบางทีพระเอาไมา่อยู่หรอกขนาดพระเทวทัตก็โอ้ยปรับผีลูกปลุกผีนั่งกันแตแใจแล้วเอาไม่ได้เดืองดีนะท่นานแม่ละวาดมากเพราะว่าส่วนที่ฝึกไม่ได้คือฝึกไม่ได้ อันนี้บางบางทีเราลืมละเลยความจริงนะฮะละเลยความจริงไปยังมีน้าข่าวสพิมพบรณาธิการหรือพิมพ์มรรก่อนน่นะเขามาอัตมานั่งอธิบายแก็ฟังกเกียกัหนังสือโจมตีพระมาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่อายุสามสิบเท่าไหร่สามสิบสี่สามห้านะถามาคุณรู้ไหมว่าพระที่คุณดา่าอายุเท่าไหร่อายุก็ยี่สิบกว่า ความรู้เท่าไรความู้ก็พหคุณความรู้ปัญญาตรีเกิดมาแผ่นดินเดียวกันแน่น่ะคนนู้นเขาไม่มีโอกาสศึกษามีโอกาสฝึ ก, ก, กปรอืออบรมวุฒิภาวะอย่างน้อยอายุอย่างน้อยปฏิบัติศีลสองรอยบเจ็ดพลาดไปคุณก็ตีได้ไม่เลี้ยงให้คุณศี่หน้ารักษาได้ปะอายุสามสิกว่าแล้วความรู้ปริญญาตรีเห็นไหมเรถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าพระมันก็คือชาวบ้าน พ า, างมนคือคนที่บางทีในอายุเด็กกว่าเราอีกแล้วสิ่งที่ท่านทำไม่ได้จริงเราก็ทำไม่ได้บางทีก็นั่งดื่มเหล้าไปแล้ววิจารณ์พระไปนะฮะแล้วนี่คือคือคือว่าเราเราขาดการฝึกตัวเองแต่คิดจะฝึกคนอื่นคิดจะฝึกคนอื่นไม่ได้ดูว่าจริงๆเราในเราก็ฝึกตัวเองเราไม่ได้ะนั้นถ้าท่านแนวมองกลับมาได้ แล้วเมื่อวานเนี่ยเขาสัมภาษณ์เอามาลงหรือเปล่าฝรั่งเศสเอาพระพุทธ ร, รูปเราไปเป็นนั่นเป็นตราเล่าตาวิสกี้เอาพระพุทธ ร, รูปแล้วก็มีปุญญิรฐานก็ดูไม่ค่อชัดเท่าไหร่สื่อพิมพ์ก็เอามาสัมภาษณ์ต่ามาบอกคุณไม่ตามเลยฝรั่งเศสนะมันเล่นงานเรามาอย่างนี้เรียกว่าสองปีตกครั้งได้ทำไปยี่สิบปีมานี้ฝรั่งเศสทําปุยยิปุยยาปูยเนยยะบุคคลปุยเนยฐานของเราเนี่ยไม่นอกก้อยกว่าเจ็ครั้งที่จําได้นะ บางทีแรงกว่านั้นวันก่อนเนี่ยเอาภาพผู้หญิงเปลือยไปเลื้อยที่ที่พุทธรูปห้าสิบหกท่าเต็มหน้าเลยทั้งเล็บภาพสีสีเอามาขายเต็มในเมืองไทยฝรั่งเศสมันเป็นอย่างงั้นมองว่ามันลงมาปิดประตูปิดอ่าวเราอะคือฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเนี่ยตรกีเนี่ยเป็นฝรัง่งไม่แยกฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเป็นนักล่านานาคมที่เลวที่สุดเราเจ็นว่าเบียดเบียนคนอื่นมากที่สุด วันพื้นพื้นอัธยาศัยก็เป็นอย่างนั้นแหละจะเอาอะไรเขาอ่ะเออวั้นก็ทําได้คุณคุณก็เรียกเรียกร้องมวลชนขึ้นมาเดียบอยขอดไม่ยอมซื้อเลา้านี่ไม่ยอมให้ข้าวประเทศรัฐบาลเอาทีมันเลือกเองแหละแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่แข็งนี่ทํากับพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกมันก็ทําอีกจริงจริงมันก็ทําก่อนหน้านี้มันก็ทํานะฮะก่อนหน้านี้นก็ทนะําอะไรทําเขียนเป็นพระพุทธรูป ภาพเขียนเป็นประตูรูปออกโอ้ภาพน่าเกลียดมากทำบอยที่สุดพลังเตเรนทำบอยที่สุดเอามาลองนับดูประมาณ20ปีบันนี้นะประมาณประมาณ 7, ทักเจปครั้งก็สรุปว่าสองปีกว่าหนึ่งครั้งสองปีกว่าหนึ่งครั้งเฉลี่ยแหลวเราก็ไม่รู้จะทำํำยังไงกับเขาว่าเวลานี้ให้ลองสังเกตเตี๋มาตั้งข้อสังเกตว่าพวกนี้จะอ้างสิทธิมนุษยชน แต่แกลืมสิทธิมนุษยชนที่ตัวเองกําลังล่วงละเมิดคนอื่นนะเวลาตัวเองเวลาเขาจะต่อว่าตัวเองนะตัวเองจะอ้างสิทธิมนุษยชนแต่ว่าเวลาตัวเองเป็นละเมิดคนอื่นนะไม่ได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนนั่นคืออะไรคือจิตใจที่ไม่มีการฝึกอย่างน้อยระดับที่มองกลับมาที่ตัวเองมองเรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราอัตานังอุมังกัตวานะ ทำตัวเป็นหัวมาที่เคียวเพราะเราเราจะเห็นว่าการถึงการถึงที่จริงเราจับที่ร พ, ทรทนนะพระพุทธเจ้าประธรรมสงแ์กก็คือการเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงเป็นนั่นเดียวกันเราจับได้สักข้อในแนวการถึงโดยการน้อมอาประคุณมเป็นหลักในการปฏิบัติเอาสักข้อเดียวนะข้อไหนก่อนก็ได้เอาข้อพระอาราหังในลักษณะ ก็ไม่จะหักกำรรกิเลสนะหมายความว่าลดกําลังของกิเลสเพื่อลดกระแสของกรรมลงไปเราก็ไกลจากความชั่วไกลจากกิเลสไปได้หลายๆอย่างแล้วก็ทําให้เราทําบา ล, ลดน้อยลงไปก็ภาคภูมิใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะเป็นที่ยอมรับยกย่องนับถือของสังคมมากยิ่งขึ้นแต่สังคมอย่าไปติดใจมากนะ อย่าไปติดใจมากว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ในความดีของเราหรือไม่เพราะจริงเรารับผิดชอบกรรมของเรามันไม่ใชวนนนนนน่ว่าถ้าสังคมยกย่องแล้วเราจะเป็นคนดีอันนี้คือการหลงประเด็นเบื้อนี้เรามองไปในแนวว่าถ้าสังคมยกย่องเลยเราดีมันไม่แน่เราสมัยนี้ยุคปลุกเสกยุคปลูกเสกแต่นั้นคนเองก็ปลุกเสกกัน นะพระเครื่องกับปลุกเสกที่จึงปลุกเสกแต่นั้นพราโฆษณาทั้งหลายนี่ปลุกเสกแต่นั้นนะ่ะนะบางทีก็ไม่ดีอะไรเราพูดกันจนคนหันตามคอยตามแล้วก็ยอมรับกันว่าดีหรือไม่ดีตามการโฆษณาทําการประชาสมพันธ์แนวตรงนี้ก็ทรงสอนมาจนถึงศีลในระดับรักษาศีลที่เรียกว่าศีลทั้งห้าประการน่ะ น, นะฮะ อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าศีลหาประการเนี่ยมันมือเยอะจริงๆทำไมล่ะเพราะว่ามันเป็นฐานของสังคมแตะปั๊บเนี่ยถ้าผิดแล้วก็ผิดศีลทุกทีเลยแต่ชีวิตก็ผิดศีลแต่ทรัพย์ก็ผิดศีลแต่กู้ครองก็ผิดศีลพูดผิดก็ผิดศีลศีลนี่มันมันมันเป็นฐานของสังคมเรียกว่าต้องแทรกซึมอยู่ทุกส่วนของสังคม ความสงบสุขความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดขึ้นภายในสังคมได้นี่ก็คือเป็นการถึงพระพุทธเจ้าพระธรมประสง์แต่ยกตัวอย่างถึงพระพุทธเจ้าให้ดูนะว่าการถึงแนวนี้พระพเจ้าทรงรับรองตามคําของท่านจุนทะตามที่ตาธ น, นาคามีพรมได้กล่าวไว้นะฮะแล้วว่าที่จริงพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่นับอย่างนี้ไม่ใช่นับตัวเลขอย่างนี้ ที่บังเกิดในสุขติเพราะการถึงพระรัตนารายเนี่ยมันนับไม่ได้นะนับไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่ทําใจเริ่มใสไม่จําเป็นต้องเห็นเนี่ยนะทำใจเลื่อมใสใจของบุคคลนั้นก็ปองใสเองเพียงแต่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นอนุสติเตือนใจให้เกิดความปองใสขึ้นมาท่านั้นดังนั้นใครก็ตามที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึงจิตลึกในอย่างน้อยในดับศรัทธาประศรัทา บุคค ล, ล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายเมื่อร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วก็จะยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏคือบังเกิดในสุปติโลกสวรรค์ส่วนจะเป็นระดับใดนั้นก็เป็นรายละเอียดนะฮะที่ว่ากันเป็ น, นรายไปแต่ที่แน่นอนท่านรับรองผลในระดับนี้เพียงแต่ว่าต้องถึงจริงๆแต่นั้นเองนะต้องถึงจริงๆแต่นั้นเดง แต้วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองกงามให้พูดให้ทำจงมีแด่ท่านผู้ฟังทนายโดยตัว ก, กันทุกท่านทืน่อ